เปียนถึงหน้าไหนแลสดโอ้ <Yes. S 1> oh, แสดงว่าติดตามจาหน้าได้นี่ก็วิเศแล้วต่อไปนะว่าทุกกะที่2เลยนะในทุกะคือศีหมวด2หรือว่าที่สเรียกว่าทุกะที่2ทุกกะที่1จารีตกับวารีตทุกกะที่2ก็คืออภิสมาจาร์กอธิพรมจรันนะนะมี2 อ, อย่างะนะหมวด2 อ, อภิสมาจาร์ก อาธิพรมจารย์อาภีอาจารย์อภิสมาจารย์กับอาธิพรมอาจารย์สองสองสองอย่างาทีนี้ต่อไปว่าคําว่าอภิสมาจาระอภิสมาจารย์เนี่ยนะได้แก่ความประพฤติดีสูงสุดเขาว่าไงความประพฤติที่เอือ้อเฟื้อ ด้วยอัธาว่อายางสูงบางันต้องเอื้อเฟื้อมากจริงแต่ํำได้นะคนไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยทำไม่ได้หรอกบา ง, งันต้องเอื้อเฟื้อต้องประพฤติอย่างดีบา ง, งันเดนออภิสมาจาระนั่นเองชื่อว่าอภิสมาจาริกะนี่ขยายหลักขยายไวยากรณ์ใช่ไหมไม่มีอะไรพิเศษอีกอย่างหนึ่งศิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรารพบิสมาจาระ เนี่ยนะคือความประพฤติโดยเ อ, อื้อเฟื้อด้วยดีอันวิเศษอย่างยิ่งนะที่นับเนื่องในอธิสิละสิกขาอธิอภิสมาจารีเป็นเกี่ยวกับเรื่องอธิสิละสิกขาเพราะฉะนั้นสิกขาบทที่พระองค์ทรงปรารถที่เกี่ยวเนื่องกับอธิศีละสิกขาอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าอภิสมาจาริกะาถามว่าอภิสมาจาริกะเนี่ยนะถ้าขยายอย่างสูงสุดได้แก่ได้แก่อะไร คำว่าอภิสมาจ a ริกะขยายโดยสูงสุดได้แก่ศีลในอริยมรรคและศีลในอริยผลถ้าเอาแบบสูงสุดเลยนะศีลที่ทรงบัญญัติปรารบเจาะจงอภิสมาจารนั้นคือศีลที่พระองค์ปรารบหรือทรงบัญญัติสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่ออริยมรรคอริยผลน่ะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลาพระองค์มองมองการแสดงธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีัธยาสัยเดียว คือใจน้อมไปในนิพานอย่างเดียวใจที่จะมีนิพานเป็นอารมณ์คือมัคคจิตและผลจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์เนี่ยอว่างเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆก็ตามคําสอนอันนั้นเพื่ออารยมรรคอารยผลเนีย่ยนะเพนั้นสวากขาโตเพื่อสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเป็นต้นจะต้องสัมพันธ์กันต่อไปด้วยตรัสไว้ดีแล้วอ่ะนะคำว่าสวาขาโตเนี่ยอมความทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทถ้าสันทิฏฐิโกเป็นต้นเนี่ยเป็นโลกุตระอย่างเดียว เพราะฉะนั้นพระองค์จะวางคำเพื่อกุศลธรรมะชั้นสูงชั้นสูงชันง้นสูงต่อไปอีกเพราะฉะนั้นอภิสมาจารนั้นเป็นผลมีอภิสมาจารนั้นเป็นประโยชน์ชื่อว่าอภิสมาจาริกศีลคือศีลที่เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่ออริยมรรและอริยผล เพราะฉะนั้นคำว่าอภิสมาจาริกะนี้เป็นชื่อของศีลที่เหลือจากอาชีวัฒมาทกะศีลเนี่ยนะอาชีวัฒมกะศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่8เนี่ยนะก็คืออาชีวะบวกอัธกะศีลมีอาชีพเป็นที่8ปดเหมืนเถอะก็คืออะไรก็ได้ศีลในพระวินัยหรือศีลในคําสอนทั้งหมด น, นะ ที่เว้นจากศีลมีอาชีพเป็นที่8ศีลที่เหลือเหล่านั้นแหละชื่อว่าอภิสมาจาริกศีลที่ชื่อว่าอาริพรหมจริกะก่อนอเพราะอาธาว่าเป็นภาวะเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์อันคำว่าอาริพรหมจริกะนี้เป็นชื่อของอาชีวะ ทะกะักษะอาชีวธมมะธรรมกศีลศีลที่มีอาชีพเป็นที่แปดอะไรบ้างนะศีลมีอาชีพเป็นที่แปดศีล น, นี้คือกายกรรมสามก่อนกายกรรมสามอันบริสุทธ์ด้วยดีวจีกรรมสี่อันบริสุทธ์ด้วยดีและอาชีพเป็นที่แปดเคยได้ยินนะโอชาธรรมการูปเคยได้ยินนะโอชาธรรมกะรูปแปลว่าอะไร โ, รรโอชาธรรมกะรูปนี่แปลว่ารูปมีโอชาเป็นที่8ดอ่ารูปมีโอชาเป็นที่8ดอะไรบ้างหนึ่งปฐวีเตโชอาปโปวาโยสีแล้วนะสีกลิ่นรสและโอชาอ่ารูปมีโอชาเป็นที่8ดเรียกว่าโอชาธรรมกะรูปอันนี้ก็เหมือนกันศีมีอาชีพเป็นที่8ดเรียกว่า อาชีวธรรมกศีลศีลมีอาชีพเป็นที่8ก็คือกายกรรม3ามวจีกรรม4บว ก, กบอาชีพอีกอย่างหนึ่งเป็น8พอดีเลยคำว่าอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เว้นจากกายะทุจริตและวจีทุจริตนั่นะอาชีพที่เว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4ีนั่นแหละเป็น <5. S 1> เป็นที่แปดอะนะ อาชีพอะไรก็ได้ที่เว้นจากการยศทุจริตสามวจีทุจริตส่ต่อไปว่ า, เ, าเป็นความจริงว่าอาชีวทักมะศีนั้นเป็นภาวะเบื้องต้นของมักศีนมีอาชีพเป็นที่แปดเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นของอาริยมัก เพราะภิกษุพึงทำให้บริสุทธิ์ในตอนต้นเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าคนที่เคยศึกษาสีล ะ, ละขันธวัชในคำพีทีคนิกทีคนิกายสีละขันธวัชส10สูตรแรกเลยนะเพราะว่าทีคนิกายนี้มีทั้งหมด13สูตร น, นะนะสีลขันธวั์เนี่ยเป็นวัชว่าด้วยเรื่องสีล เพราะฉะนั้นในทีคณิกายเนี่ยถ้าหากว่าเน้นให้เห็นชัดๆเลยนั่นอ่ะเป็นเรื่องของกายกรรมเป็นเรื่องของวจีกรรมและอาชีพเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยเป็นทั้งจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลอาชีพเนี่ยรายละเอียดมีเยอะนะในถ้าใครอยากรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นอาชีพของของนักบวชหรือเรื่อส ม, มณะพราหมณ์นั่นนะ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าก็กายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเธอเป็นอันบริสุทธิ์ดีแล้วในการก่อนทีเดียวดังนี้เนี่ยนะเพราะว่าไอ้อาธิพรมจาริกศีลเนี่ยนะจะต้องให้บริสุทธิ์มาแต่เบื้องต้นอริยมรรคจึงจะเกิดได้ถ้ากายกรรมวจีกรรมอาชีพของเธอไม่ได้บริสุทธิ์มาแต่ต้นอริยมรรคไม่สามารถที่จะเกิดได้เนี่ยนะ ถามว่าข้อความอันนี้ยกมาจากคัมภีร์ไหนที่บอกว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเธอก็เป็นอันบริสุทธิ์ดีแล้วในก่อนทีเดียวเสูตรนี้เราเคยได้ยินไหมเคยฟังมาหรือยังคิดว่าเคยได้ฟังมาไหมทำไมนะก็กายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเธอเป็นอันบริสุทธิ์ดีแล้วในการก่อนทีเดียวนึกว่าเคยได้ฟังไหม น่าจะได้ฟังนะเคยฟังมาแล้วล่ะแต่ว่าจะทวนให้อีกครั้งก็ไม่เสียหลายนะ mm hmm. เพื่อจะได้อาจจะชัดขึ้นว่า ง, งั้นเถ อ, อะข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสลายตนะวิพังคสูตรนะสลายตนะวิพังคสูตรเล่มที่ยี่สิบสามข้อแปดร้อยยี่สิบแปด หน้าห้าร้อยสามกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงอ่าฟังจำนวนนี้เริ่มนึกออกแล้วนะเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงเอถามว่าหมายถ้ารู้เห็นจักสุตามความเป็นจริงเนี่ยรู้เห็นยังไงจึงจักชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงอ่าเห็นโดยปริญญาสาม หรือถ้าพูดในหนึ่งก็คือเห็นโดยเหตุเกิดเห็นโดยความดับเห็นโดยอาศะเห็นโดยอาทีนวะและนิสรณะเนี่ยนะในจักสุจึงจะชื่อว่ารู้เห็นจักสุตามความเป็นจริงด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองทำไมนะ ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงเนี่ยนะอย่าลืมนะเห็นด้วยเหตุเกิดความดับอาศธาอาธีนวะและนิสรณะเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงรูปนี่หมายถึงสีเนี่ยนะรู้ด้วยเหตุเกิดความดับอาศธาอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็คือรู้ด้วย เหตุเกิดความดับอสาศะธาทีนว่านิสรณะเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัส ต, ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความสวยอารมณ์หรือเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเนี่ยนะอันนะที่จริงก็มีไม่กี่คำเองนะ ตาสีจกักขูวิญญาณภาษะและเวทนาห้าคำแต่ห้าคำนี้อมขันห้าไว้หมดแล้วนะจากสูตกับรูปเป็นรูปประขันจกักขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันภาษาเป็นสังขารขั น, ขขนเวทนาเป็นขันห้าครบแล้วนะพระพุทธเจ้าประกาศขันห้าแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าบางสูตรบอกว่า สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้อัสาธาไม่รู้อาทีนวะไม่รู้นิรนสรณะของอุปาทานขันเหล่านี้ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าไม่นับว่าพรามในหมู่พรามเหมือนั้นเราไม่ควรแก่สา ม, มัญญผลพรหมญมัญญผลอันประเสริฐเพผลสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่ควรที่จะพ้นจากชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมณตและอุปายาตเนี่ยนะ โอ้พสูตแบบนี้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้ทั้งหมดย่อมไม่กำหนัดในจกักรสุไม่กำหนัดในรูปเนี่ยนะก็คือโลภะก็จะไม่ยินดีในตาไม่ยินดีในรูปไม่กำหนัดหรือว่าไม่เพลิดเพลินในจักรสุวิญญาณไม่กำหนัดในจกักขูสัมผัสไม่กำหนัดในความสเสวย อ, อารมณ์เป็นสุ ก, ก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกมิใช่ศกก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคล น, นั้นไม่กำหนัดนักแล้วนะก็คือโลภะไม่ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเพราะรู้ความจริงของทั้งตารู้ความจริงของรูปรู้ความจริงของจากขูวิญญาณรู้ความจริงของจากขู่สัมผัสรู้ความจริงของเวทนา บุคคลนั้นเมื่อไม่กำหนดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่นะแต่เล็งเห็นโทษนะเห็นเล็งเห็นโทษตามความเป็นจริงย่อมมีอุปาทานขันหาถึงความไม่พอกพูนต่อไปอนะเพราะว่าเอาความไม่ยินดีอ น, นั้นเนี่ยเป็นตัวที่ตัดขันหาในอนาคตไม่ให้พอกพูนต่อไปแต่ถ้าหากว่าตามยินดีในอารมณ์นั้นๆมากๆนะอความยินดีเ น, นี่ยเป็นเหตุแห่ง ปฏิสนธิต่อไปใช่ไหมเ ป, เป็นเหตุแห่งวิบากและการมาเริบต่อไปเมื่อไม่ตามเพลิเพลินในสิ่งเหล่านี้อุปาทานขันห้าเป็นต้นก็ถึงถูกถอนออกไปแล้วใช่ไหมไม่เพาะเชื้อน ะ, อะสะดุดและไม่เคยไ ม, ไม่ไม่พาะพูนและเขาจะละตันหาที่นําไปสู่พบใหม่เห็นไหมเพราะทำปธานะปริญญาในอารมณ์เหล่านั้นแล้วใช่ไหมสหรก ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้จะละความกวนกวายแม้ทางกายเรียกว่าจะละความกวนกวายในทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายแม้ทางใจนะกายก็คือทวารห้าใจก็คือมโนทวารจะละความเดือดร้อนแม้ทางกายคือทางทวารทั้งห้า ล ะ, ละความเดือดร้อนแม้ทางใจคือมโนทวารจะละความเร่าร้อนแม้ทางกายคือทวารทั้งหแม้ทางใจคือมโนทวารเขาย่อมเสเวยสุขทางกายบ้างคือสุขทางปัญจทวารสุขทางใจบ้างคือสุขทางมโนทวารบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วนะมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจมั่นอันใดความตั้งใจมั่นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวนะทีเดียวเนี่ยคำนี้มาจากไหนอีกมาจากวิสุทธิมรดกหรือเปล่าที่ไม่วิสุทธิมรดกอ้างตรงนี้ไปเมเกนะ่าที่ที่ไหนนะที่ไหนอาทิพรหมจริกศีนใช่ไหมที่บอกว่าอาชีวะอาชีวะท่ามกาศีลเนี่ยเป็นภาวะเบื้องต้นแห่งมรดก เพราะภิกษุพึงทำให้บริสุทธิ์ในตอนต้นเลยทีเดียวเพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าก็กายกรรมบจีกรรมอาชีวะของเธอเป็นอันบริสุทธิ์ดีแล้วในการก่อนทีเดียวดังนี้ใช่หเพราะฉะนั้นกายกรรมวัจีกกรรมอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวด้วยอาการอย่างนี้ เขาเชื่อว่ามีอัฏฐังคิกำมักอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์อั้นคนที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็มีกายกรรมวิจีกรรมอาชีพบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วะเขาจึงเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นพอเขาเจริญมีความเห็นอันนั้นก็อริยอัฏฐังขีกำมักอันประเสริฐก็เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นเจริญอัฏฐังคีกำมักอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่า มีสติประทานสก็คือสติประทานสที่ประกอบกับอริยมรรคนั่นแหละสติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคสติอ น, นั้นเป็นสตินั้นโดยชื่อเรียกว่าสติประทานสวิริยะที่เกิดกับอริยมรรควิริยะอ น, นั้นเรียกว่าสัมมาประธานสนะในขณะนั้นก็มีชั้นทวิริยะจิตตะและวิมังสาอ น, นั้นก็เป็นอิทธิบาทอินรี่ห้พละหโพชงจ็ ก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ก็คือพวกที่ธรรมะเหล่านี้ที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งธรรมะเป็นเครื่องแตสรู้เนี่ยนะที่เกิดขึ้นพร้อมกับอริยมรรคนั่นแหละบุคคลนั้นย่อมมีธรรมะทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันไปนะสมถะวิปัสสนาในขณะอริยมรรคต้องคู่กันแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่คู่คือสลับกันแต่ว่าในขณะอริยมรรคนี้ต้องเป็นยุคหนธรรมต้องคู่กัน เขาชื่อว่ากําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทําให้แจ้งธรรมะที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ในเรื่องทางตาอย่างที่ว่าไปนี่นะชื่อว่าทําแบบนั้นแล้วเพียงสูทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นเชนไ ข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันห้าได้แก่อุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยปริญญา3าใช่ไหมเมื่อกี้กล่าวว่าจักษุกับสีเป็นรูปประขันจักขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันภาษาเป็นภาษะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันเอ๊สัญญาไม่พูดถึงไม่ครอบผ้านี สัญญาเกิดร่วงกับจิตทุกดวงนั่นแหละก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นขันห้าเท่ากับพูดแล้วเพราะฉะนั้น อ, อุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ง, งั้นจะต้องปริญญาสามแบบยิ่งนะไม่ใช่ทำเล่นๆ น, นะเอาจริงเอาจังอะจิงจะละกิเลได้ทำไมจิงกะละกิเลศไม่ได้รอ <c oughs> พิกษูทั้งหลาย ก็ธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นชนัคืออวิชชาและภวะตันหาธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคือความไม่รอบรู้ในจักรสุในเสในจกักรวิญญาณในภาษาในเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาวิชชาความยินดีในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าภาวะตันหาความปรารถนาสิ่งเหล่านี้เพื่อมีใหม่ อีกอันนี้เรียกว่าภาวะตันหาเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเพศสูทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไงคือสมถะและวิป hmm? SI ัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งถามว่าเอ๊ะตากับสีเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะได้ไหมตากับสีเป็นอารมณ์ของสมถะได้ไหม อายกตัวอย่างตาเป็นอารมณ์ของสมถะอะไรบ้างอ่าในตามีน้ำตาอั น, นะัตามีเลือดไหมตามีเนื้อไหมมีเลือดอนนะตาเนี่ยมีเส้นเอ็นไหมอันนะสะมภาระจากสู่ใช่ไหมอาการสามสิบสองที่อยู่ในลูกตามีทั้งหลายอย่างอนนะนตามีเลือดเห็นไะมีเยือ่ออะนนะแ้ะมีพังผืดอยู่ในนั้น มีเลือด ม, ม, นมีน้ำตามีหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใคร่ครวญ น, น, นั้นเป็นสมถะสีแหละเออสีก็นับแต่ง ก, กับหัวจรดเท้า น, นั่นแหละก็สีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมคนเล็บเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าสีาการใคร่ครวญโดยปฏิกูลเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นสมถะการรู้จักสภาวะของเขา พร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะและก็นิสสารณะนั้นเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือสมถาะาและวิปัสสนาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นชนะไหคือวิชาและวิมุตติวิชาในอรหัตตมัควิมุตติในอรหัตตผล เหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งโอ้รู้เรื่องทางตานี่รู้ให้มันจริงถ้อาอรหัตตมรรคอรหัตตะพนก็เกิดได้นั่นแหละวันก่อนฟังหรือเปล่าพระานาคาสมาละไปบินทบาทเห็นคนรํายังเป็นผ้าอารหันเนอร์นั่นแหละเป็นแบบนั้นน ะ, ะทะวารอื่นก็เหมือนกันนะก็สงเคราะห์ทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจแต่ละทะวารสงเคราะห์โพธิปักขยธรรมลงได้หมดเลยแต่ละทะวารสงเคราะห์อริยมรรคสงเคราะห์ อภินยยธรรมสงเคราะห์ปริญยยธรรมภาเวตาประธรรมปหาตประธรรมสงเคราะห์พวกนี้ได้หมดเลย น, น, นะนะทุกทวารเลยแล้วก็ปฏิจจส ม, มุปบาทก็สงเคราะห์ได้ทุกทวาร น, นั่นแหละทั้งสิกขาสามก็อยู่ในนี้หมดแล้วเกณฑ์าาพานจริงเทมันนี้เนี่ยนะหน้าน้าผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจาการเจริญนิพพานา เออแนวทางไหนผิดแนวทางไหนถูกก็คนโน้นผิดคนโน้นถูกลองมาดูที่คำในคัมภีทั้งกล่าวว่าอย่างไงตรงนี้รวมไม่หมดแล้วไว้ทั้งใ น, ในเรื่องการปฏิบัติทั้งไต่สิกขามีหมดตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญามีหมดเลยนะพูดถึงอริยสัจสี่อย่างครบแล้วก็มีเรื่องการปฏิบัติในเรื่องปริญญาทั้งหลายมีหมดเลยสมาตาวิปัสนาตรงนี้ตรงนี้เขาไปตลึกเอาไปฟังหลายๆเที่ยวนะมีประโยชน์มาก อันนั้นทําให้เห็นว่าการเจริญที่ว่าไปเหล่านั้นเนี่ยอาศัยอาศัยอะไรอาศัยอาธิพรหมจริคศีลเนี่ยนะศีลมีอาชีพเป็นที่8ดนี้เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจันทร์ที่ว่าไปนี้ น, นะนะมันถ้าหากว่าศีลมีอาชีพเป็นที่8ดไม่เกิดแล้วอริยมรรคเหล่านั้นจะเกิดได้อย่างไรนะนนี้ก็เป็นความสําคัญของศีลอย่างหนึ่งแล้วก็มาแบ่งประเภทให้เห็นลักษณะของศีลที่ชัดเจนขึ้น